สิ่งที่จะพึงหวังได้จากหลักการต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เขียนมาทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เราจะพึงหวังได้จริงๆมีอยู่อย่างเดียวคือถ้าหากว่าเราได้สนใจกับเด็กพยายามที่จะสแสวงหาเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกประการในอันที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงและพยายามให้ความอุปการะให้ความสะดวกทุกอย่าง พร้อมทั้งดำเนินวิธีการสอนที่ถูกตามหลักวิชาถ้าทำได้เช่นนี้ในไม่ช้าเราก็จะเห็นผลงานในทางนี้ออกมาแน่ๆการที่ข้าพเจ้าให้ความคิดว่าให้สนใจกับเด็กก็เพราะเด็กยังไม่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกับผู้ใหญ่ความกดดันในทางอารมณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีจะมีเรื่องยุ่งยากอยู่บ้างก็เฉพาะในด้านการเรียนเท่านั้น แต่เรื่องนี้ถ้าหากจัดเวลาให้พอดีแล้วเด็กก็จะไม่เสียผลในเรื่องการเรียนการแก้ปัญหาดังที่กล่าวมานี้เราพอจะทำกันได้ส่วนผู้ใหญ่ปัญหามีมากกว่าเด็กหลายเท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเอามาฝึกได้อย่างสม่ำเสมอแม้บางคนจะมีเวลามาได้แต่แล้วก็จะมาติดขัดในปัญหาทางจิตใจอีก ส่วนพระภิกษุหรือสามเณรซึ่งเป็นบุคคลที่นับว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีที่สุดเหมาะสมโดยประการทั้งปวงในการที่จะฝึกฝนในทางสมาธิถ้าไม่มีปัญหาเช่นความกดดันในทางอารมณ์ก็จะเป็นบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ดีมากแต่อย่างไรก็ดีในเมื่อคำนึงถึงปัญหาทั่วๆไปแล้วข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่าถ้าเอาเด็กมาฝึกได จะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีกว่าบุคคลประเภทอื่นเด็กมีภาระอยู่อย่างเดียวที่จะตัดออกไปไม่ได้คือเด็กจะต้องเรียนหนังสือแต่ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าปัญหาเรื่องการเรียนนั้นไม่สำคัญเพราะถ้าหากเรามีหอพักหรือสถานที่อยู่สำหรับเด็กเข้าไปโรงเรียนตอนบ่ายหรือตอนเย็นกลับมายังที่พักเราก็ยังมีเวลาเหลืออีกมาก ที่จะอบรมเด็กข้อสําคัญเราจะต้องแยกเด็กออกมาจากผู้ปกครองญาติพี่น้องและเพื่อนของเขาชั่วระยะหนึ่งจนกว่าการศึกษาและการปฏิบัติจะได้ผลแล้วจึงปล่อยให้ไปอยู่กับผู้ปกครองตามเดิมเวลาฝึกสมาธิที่ดีที่สุดคือเวลาเช้ามืดส่วนการฝึกก่อนเข้านอนเป็นเพียงการเตรียมตัวหรือวางพื้นฐาน ือให้จิตใจสงบแล้วจะได้หลับง่ายหลับได้สนิทเมื่อตื่นขึ้นมาจะได้รู้สึกสดชื่นด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีสถานที่ให้เด็กอยู่อาศัยและภายในสถานที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องมีห้องฝึกสมาธิอย่างดีคือสามารถป้องกันเสียงภายนอกได้การถ่ายเทยอากาศดีภายในห้องไม่ร้อนและไม่อบอ้าว นี่คือสิ่งที่จำเป็นมากนอกจากนี้จะต้องมีเครื่องพักผ่อนหย่อนใจมีกีฬาบางอย่างสำหรับให้เด็กมีความเพลิดเพลินและมีความสบายใจสถานที่แห่งใดก็ตามถ้าหากจะจัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้มีโอกาสฝึกสมาธิสิ่งจำเป็นต่างๆที่กล่าวมานี้จะต้องจัดไว้ให้พร้อมเรื่องอนามัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ที่จะมาฝึกสมาธิเกือบจะพูดได้ทีเดียวว่าคนใดหากความเป็นอยู่ไม่มีระเบียบและไม่สะอาดสุขภาพทางร่างกายไม่ดีก็จะไม่สามารถฝึกสมาธิได้ผลแล้วเรื่องที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารอาหารที่จะให้เด็กรับประทาน จะต้องเป็นอาหารที่เด็กชอบอย่าให้เด็กต้องมีความกดดันในเรื่องอาหารแต่การตามใจในเรื่องนี้จะต้องนึกถึงหลักเกณฑ์นในทางสมาธิด้วยกล่าวคือกู้ที่จะฝึกสมาธิได้ผลจะต้องให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นจำพวกผักผลไม้นมและไข่เป็นต้นการอุปการะเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในอันที่จะฝึกสมาธิขั้นสูงนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายควรจะร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายศึกษาว่าวิธีการอันนี้จะได้ผลตามที่กล่าวมาแล้วจริงหรือไม่ถ้าหากเราไม่มีการลงทุนไม่มีการทดลองเมื่อไรพระพุทธทศาสนาจึงจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆอย่างเห็นได้ชัด อันที่จริงผลต่างๆ่างดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะพึงหวังได้แน่นอนเช่นนิสัยโดยทั่วๆไปของเด็กจะดีขึ้นการตัดสินใจก็มีหลักเกณฑ์ที่ดีและเด็กสามารถจะทำงานได้ทุกอย่างด้วยความเต็มใจถ้าหากงานนั้นเป็นงานสุจริตผลขั้นนี้จะได้มากส่วนผลอีกขั้นหนึ่งคือความสามารถในการติดต่อกับโอปปาติกะนั้น ก็จะได้ด้วยแต่จะได้ไม่มากแต่ถึงกระนั้นก็จะก่อให้เกิดผลสะท้อนในทางที่ดีมากมายผลต่างๆดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่อยู่ไกลจนเกินไปเป็นสิ่งที่จะพึงหวังได้จริงๆในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่ต้องเสียเวลามากมายและการลงทุนก็ไม่มากเพราะฉะนั้นจึงน่าจะต้องมีการลงทุนและการทดลองกัน จบเสียงอ่านวิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อโอปปาติกะพรรตนะสุวรรณสัตว์โลกที่เป็นโอปปปาติกะท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้มีนับเป็นจำนวนล้านๆตลอดเวลาทั้งที่เราตื่นและหลับหากโลกมนุษย์และสวรรค์จะพึงติดต่อกันได้มากกว่าที่ชาวโลกคิดว่าจะเป็นไปได้อยู่ในขณะนี้แล้ว ก็จะเป็นการดีไม่น้อยทีเดียวข้อความจากจอร์นมิวตันจินตกวีชาวอังกฤษ